แนะนำบทอันนะบะบทอันนะบะเป็นบทนักยิยงมี40องค์การที่ถูกขนานนามว่าบทอันนะบะเพราะเพราะในบทนี้มีข่าวสำคัญเกี่ยวกับวันทียามะการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมแกลหลักของบทกล่าวยืนยันถึงหลักการศรัทธาแห่งการฟื้นคื้นชีพซึ่งพวกมุชลินปฏิเสธในเรื่องนี้อยู่ตลอดมา บทนี้ได้เริ่มโดยการบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องวันเกียรมะการฟื้นคืนชีพและการตอบแทนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ของพวกปุฟฟาดมักกะได้คุ้นคิดและกล่าวขวัญอยู่เสมอจนกระทั่งได้กลายเป็นปัญหาหลักที่มีทั้งผู้เชื่อถือและผู้ปฏิเสธต่อมาบทได้นำข้อพิสูจน์และหลักฐานมายืนยันถึงเดชานุภาพของพระเจ้าแห่งสากละโลก เพราะผู้ที่สามารถในการสร้างสิ่งที่แปลกประหลาดและมหาศจรลย่อมไม่หมดความสามารถที่จะบังเกิดมนุษย์ขึ้นมาใหม่หลังจากได้ตายไปแล้วแล้วบทนี้ได้กล่าวถึงการฟื้นคืนชีพและได้กําหนดเวลาของมันคือวันแห่งการชี้ขาดตัดสินระหว่างกวงเบาวที่อลอตจะทรงรวบรวมชนรุ่นก่อนๆและรุ่นหลังเพื่อการําระสอบสวนหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงนรกยันนำ ซึ่งอลัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้สําหรับพวกปฏิเสธศรัทธาและการลงโทษที่น่าอัภยศในรูปแบบและชนิดต่างๆหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงพวกปฏิเสธศรัทธาบทได้กล่าวถึงบรรดามุหมินผู้ศรัทธาและสิ่งที่อลัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่พวกเขาซึ่งความสุขสําราญหลายรูปแบบทั้งนี้ตามสํานวนของอัลกุรอานที่รวมไว้ระหว่างการชักชวนให้ทําความดีและการขู่สําทับให้ละเว้นความชั่ว บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงความหวาดกลัวของวันเกียมะโดยผู้ปฏิเสธศรัทธาวังที่จะให้ตัวของเขากลายเป็นฝุ่นเพื่อที่จะไม่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและจะไม่ถูกสอบสวนด้วยพรนามของอลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ พวกเขาต่างถามกันถึงเรื่องอะไรออถามเรื่องข่าวอันสําคัญยิ่งอซึ่งกันข่าวที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเขาจะได้รู้ เราไม่ได้ทำให้แผ่นดินเป็นพื้นราบดอกหรือและไม่ได้เทือกเขาเป็นหลักตรึงไว้ดอกหรือแลาเราได้บังเกิดพวกเจ้าเป็นคู่ครองกัน ا, ا, และเราได้ทาให้การนอนของพวกเจ้าเป็นการทักทวนแลวเราได้ทาให้กลางคืนเป็นเครื่องปกปิดร่างกายแลวเราได้ทาให้กลางวันเป็นที่แสวงหาเครื่องอย่างจี่ และเราได้สร้างไว้เหนือพวกเจ้าสิ่งที่แข็งแรงทั้งเจ็ดชั้นฟ้าและเราได้ทำให้มีดวงประทีปหนึ่งที่มีแสงสว่างเจ้าและเราได้เหนน้ำหลั่งลงมาอย่างมากมายจากค้อนเมฆ ฟาฟาเพื่อว่าเราจะได้เมล็ดและพืชพันธุ์งอกเงยขึ้นด้วยน้ำนั้นและบรรดาเรื่องสวนอันหนา น, นั่นแท้นนรจริงวันแห่งการตัดสินนั้นเป็นเวลาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว วันที่สังจะถูกเป่าแล้วพวกเจ้าก็จะมากันเป็นหมู่และชั้นฟ้าจะถูกเปิดออกแล้วก็จะมีประตูหลายบ า, บ า, านาบาและเทือกเขาจะถูกให้เคลื่อนออกไป แล้วกก็็ลาายเปนภพ ا أ จริงนะรกยานนำนั้นเป็นที่สอดสองเป็นที่กลับไปสำหรับผู้ละเมิด พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นเป็นเวลานาพวกเขาจะไม่ได้ลิ้มรสความเย็ยนและเครื่องดื่มใดๆในนรกนั้นนอกจากน้ำเดือดและน้ำเลือดน้ำหนองเท่านั้น ทั้งนี้เป็นการตอบแทนอย่างคู่ควรเพราะพวกเขาไม่ได้หวังว่าจะมีการชำระสอบสวนเพราะพวกเขาปฏิเสธสัญญาณต่างๆของเราอย่างสิน้นเชิง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 แถ้จริงสำหรับบรรดาผู้ยำเครงนั้นจะได้รับชัยชนะเรือกสวนอันหลากหลายและงดและบรรดาหญิงวัยรุ่นที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและแก้วที่มีเครื่องดื่มเต็มเปี่ยม นน ب ب ในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะไม่ได้ยินคำพูดที่ไร้สาระและกล่าวเพ็้ทั้งนี้เป็นการตอบแทนจากพระผู้วิบาลของเจ้าเป็นการประทานอย่างเพียงพอรับบิสมาวติแัลอะดิแะมาเบียนุมัรมาน มีิิ น, นหาบานพระผู้อิบานแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองคือพระผู้ทรงกรุณาพวกเขาไม่มีอำนาจที่จกล่าวคำพูดใดๆต่อพระองค์เยาวมย่ะพูนรบูฮ์แลมนาอิกะทุศฟพท์ไม่จะคุนลมูนอิลลามันอเินเลหุอรหมานุว่าลสวาบา วันซึ่งยิบรอนินและมาลายกะจะยืนเป็นแถวพวกเขาจะไม่พูดนอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาทรงอนุญาตให้แก่เขาและจะพูดแต่สิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น ال آ ا. นั่นคือวันแห่งความจริงดังนั้นผู้ใดประสงค์ให้เขายึดทานกลับ ไปสู่พระผู้อภิบาลของเขาเถิดอินนาอัลกุรนาคุมอะดาบุคุรีบะเย่อมยันทรุลมะอมะกัดด์มะตยะดะฮ์ฮวยะกูลุลคาฟิรุยาลิเตลิคุนตุตุราบะแพจติเราได้เตือนพวกเจ้าแล้วถึงการลงโทษอันใกล้ วันที่มนุษย์จะมองไปยังสิ่งที่มือทั้งสองของเขาได้ประกอบเอาไว้และผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าโอ้ถ้าฉันเป็นดินเสียก็จะดี